ความวุ่นวายของบ้านป้าจีบลุงโปเงียบลงไปแล้วศพป้าจีบก็ได้เผาไปอย่างเรียบร้อยความเศร้าสศกของลุงโปก็คงจะมีอยู่บ้างซึ่งเป็นของธรรมดาพี่ถนอมก็หายหน้าไม่ได้เยี่ยมมาที่บ้านผมเลยคงเนื่องมาจากงานที่บ้านสุมตัวเมื่อป้าจีบตายไปพี่ถนอมก็ต้องรับเหมาเอาไว้คนเดียวส่วนงานานานั้นลุงโปก็ต้องบุกเดี่ยว